ฟังธรรมเทศนาแล้วกล่าวเึงเรื่องการศึกษาเราเรียนขัง้งแรกเดียนดีก่อนนี่เป็นเวลาล่วงเลยมานานแล้วธรรมดาปกติก็ต้องเดือนหกขั้งแรลมวิสาขะแล้วก็ต้องมีการเรียนกันเรียนนักธรรมกันอันนี้ก็ล่วงเลยมาถึงขนานี้ เพราะมันไม่พร้อมกันพวกที่บวชใหม่ก็มีที่ยังไม่ชั้นบวชก็ยังมียังไม่ทันมาก็มีนั่นจึงไม่ได้เปิดโรงเรียนกันก <c oughs> ารบวชเข้ามาแล้วจำเป็นจะต้องศึกษาเล่าเรียนไม่ใช่ใบบเขาบวชเข้ามาเฉยๆให้รู้ทำมีใน รู้พอวัดปฏิบัตริรู้ทร ร, รู้วินัยคือว่ารู้รำนั้นหมายความว่าคือรู้ข้อบัญญัติที่พระองค์เทศเ น, นาไว้พอข้อธรรมต่างๆแต่ไม่ได้ปรับอาบัตท่านบอกว่าให้กระทาอย่างนั้นอย่างนั้นเพื่อขึ้นอย่างนั้นั้นเนียกว่าทรรม คือเป็นข้อบัญญัติไม่มีข้อกฎเกณฑ์ส่วนทวีไนนนั้นต้องมีข้อกฎเก็ฑ์จำกัดในแก่ทิศข้าทบท่านั้นอย่า ก, ก้นหมายพระกระวาดใถ้าไม่รู้เรื่องเหล่านี้แล้วจะปฏิบัติยังไงมันต้องรู้เสียก่อนสิรู้ปริยัติเสียก่อน ปฏิญัติปฏิบัติปฏิเวมันเป็นคู่กันไปปฏิญัติคือการศึกษาแล้วเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราต้องฟังต้องเรียนต้องพต้องฟังต้องเรียนคําสองพระพุทธเจ้าไม่ใช่พุทธภูมิไม่ใช่พุทธเราเป็นสาวกคือพูดฟัง อ้าหากว่าไม่ศึกษาบวดเข้ามาแล้วไม่ศึกษาเราเรียนความไม่รู้เรื่องจะไปพระพฤติปฏิบัติยังไงผิดผิดทุกถูกปฏิบัติผิดผิดทุกถูกไปไม่รู้เรื่องการปฏิบัติผิดผิดทุกถูกนั้นเป็นเหตุให้โม้เพื่อลังเกียดเข้าหมู่ยากอยู่ก็หม้ยาก จะเห็นถ้ะบางท่านบางองค์ที่มาศึกษาเราเรียนไม่รู้จักทำไม่ไดนประพฤติเด็ตามครูบาอาจารย์ที่ทำสอนได้ความรู้เท่าไรก็เอาเ้านั้นแหละสอนไม่มีความรู้กว้างขวางเคย อ, อยู่โดดเดี่ยวคนเดียวเข้าหมู่เข้าเพื่อนไม่ได้ ถ้าเข้าห้าโมงครับเพื่อนมูเพื่อนไทยถามก็จะเกอ้อขึ้นสู้อยู่คนเดียวจะดีกว่าอาการเพื่อปฏิบัติก็เลี้ยวแหลกไม่ทราบว่า ไ, ได้ต่อไหนนั่นในที่ไม่ได้ศึกษาเราเรียนการศึกษาเราเรียนต้องมีความอาถรรพ์กล้าหาญในตัว เข้าสังคมใดมู่ใดคณะใดสามารถอ่านหานได้ทั้งนั้นสามารถพูดได้สามารถกระทำได้อันนี้อำนาจประโยชน์ของการปฏิญ นั่นเนียยว่าคันบวชมาแล้วจะพันษาหนึ่งสามเดือนก็เอาเถอะต้องเรียนเรียนเบื้องตน้นนักรมตีทำโททำเอกเรียนไปลา ด, ดับโดยลําดับกันเนี่ยหรือแม่แต่พระขาวไม่ได้บวชก็มีจิตศึกษาเลาเรียนเหมือนกันนียหวน เรียนนว่าไอเรียกว่าเรียนนวากานวากาที่เรียนที่บวชไปเรียกว่าเรียนวนวากาพระขาเรียกว่าศึกษาศึกขาศึกขาไอเรียกว่าศึกษา เ, เรียนศึกษา เทียบเท่ากันทำตีเรียนทำโพน้ำเอกเหมือนกันนะเทียบเท่ากันน้มาตีทําโพน้ำเอกเมื่อเรียนนเราจะต้องสอบเหมือนกันมีการสอบเหมือนกันกับพระกัน เ, งเนงเห็นไหมการบวชเข้ามาแล้วต้องทําจิตธุระของพระต้องเนนผู้บวชเข้ามา คือการศึกษาเราเรียนนี่แหละเพื่อเป็นที่พึ่งของคารวะชาวบ้านชาวบ้านมีการศึกษาเราเรียนอะไรหรอกเขาเมาการหาอยู่หากินผ้าเราวนี่นะมีหน้าที่จะต้องศึกษาเราเรียนและปฏิบัติให้เป็นไปตามเราศึกษาเราเรียนนั้น แล้วจะแดนแน่นำพ่มสอนญาติโยมอุบาสกบาสิกาเข้ามาหามาอบรมทุกคผลต้องมีกรมรูดองในวิชาอบรมเขาชาวบ้านเขาสนับสนุนด้วยอจจัยิชาทั้งสี่มีจีวรเป็นต้นเราไม่ได้ มีการหาอยู่หากินอะไรมากมายนะนอกจากมินธบัตสนุกเรียนสนุกศึกษาเราเรียนต้องเรียนให้รู้ใหเขาใจพุทธศาสนานี่จะมัน่นคงทาวอนต่อไปก็เพราะมีทางอุบาสุบาิิกาสนับส น, นุนภายนอกถ้าพิสูจสามเณรต้อง เป็นผู้ศึกษาหรือยนอยู่ภายในสนับถนนซึ่งกันและกันกาตนายัิงท้าวรต่อมาได้คิดดูปวาบุรุษของเราแต่ก่อนท่านเรียนมาอย่างนี้แหละและท่านาบำรุงมาอย่างนี้แหละยังได้สืบเนื่องมาถึงเรื่องเราทุกวันถึงเราทุกวันอย่นี้ เราจะไม่ปเราจะไม่ศึกษาเราเรียนจะไม่สนับสนุนซึ่งกันและกันไม่ได้ในทางการเรียนยังเป็นอันจำเป็นที่สุดที่บวชเข้ามาพุทธศาสนาแล้วจำเป็นจะต้องเรียนปริยัติต้องเรียนแล้วก็ไปหาปฏิบัติ ถ้าไม่เรียนไม่เข้าใจพูดไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ถูกไม่เรียนแล้วจังพัแต่หาปฏิเวทปฏิเวทคือความรู้แจ้งในธรรมนั้นนันถึงรู้แจ้งแล้วก็ตามเถิดถ้าหามีหลักปริยัติเขาพูดไปถูกเหมือนกัน ปริยัตเป็นหลักสำคัญเบื้องต้นเราจดจำปฏิญัติได้แลวเอาสัญญาความจำปริยัตอันนไปฟกฝนผลอบรมตามปริยัตอันเนีจึงจะถูกพ้นทางถ้าหากว่าไม่ได้ปริยัตอบรมก็ผิดทุกทุก ถึงปฏิเวทแล้วก็ตามเถอะถ้าไม่มีปริญญาเป็นเครื่องวัดก็สงสัยไปแล้วทักทีนี่ลังเลองสัยนั่นเนี่ยเราไม่ใช่พุทธเราไม่เราเป็นสาบกว่าต้องฟังคำสอนเสกเจ้าและปฏิบัติตามคำสอนเสกเจ้า จึงจะหายต้องใส่ปฏิบัติเช่นว่าเราไหว้ผ้าสมตนี่แหละอิติปิศโสภควาหังสมาธิมโทอันนี้เป็นต้นถ้าหากเราไม่รู้จักควมหมายเราไม่เรียนเราไม่ได้ศึกษาก็ว่าไปเมื่อกน็นกกระหนู มันก็แล่นกับการว่าว่าไปตามกันเพราะว่าก็ว่าไปตามเขาไม่รู้เรื่องถ้าหากว่ารู้คำหมายจิตใจมันว่าพระขวานว่ า, วาพระภูมิยพระเภูมิยภาะเกลืออะไรเป็นผู้เผยแพ่ผู้มีส่วน ส่วนก็ได้ส่วนที่เป็นผู้ปฏิเจ้าอย่างผู้ปฏิเจ้าเป็นมาแล้วแต่ก่อนเก่าจึงว่ามีส่วนอะหังสมามธิบุตรเป็นผู้ไกลจากกิเลสคือไกลจากอะไรกิเลสกิเลสมีความลบความหลบกูดเป็นหลบความหลงเป็นตนเราทราบซึ่งเข้าถึงจิตถึงใจเราระลึกถึงอย่างนี้ ไปตามบทแล้วมันทราบตึงทั้ง่งจิตเรืงใจจิตใจก็ปลอดโปร่งคือมันปราศจากกิเลสมก็ปลอดโปร่องอันนั้นเนี่ยปฏิญาณเป็นประโยชน์อย่างนี้แหละถ้าหากปลอดโปร่งเช่นนั้นแล้วค่านี้มาเทียบดยูคุดโทกันว่าคนฝนก็แจวุูรู้รู้อะไรเรารู้ธรรมะคำสอนเบเจา รู้เองเห็นเองขึ้นมาในใจเรียกวบาพุโทโธพุธโทโธคือพูทตื่นพู้เบิกบานความเบิกบานยิมยม้มแย้มแจ่มใสของเราในการที่รู้จากธรรมะก็คง อ, อันนั้นเรียกว่าพุทโธโธรู้รขึ้นมาอย่างนี้แหละปริัติหากว่าไม่รู้อย่างนั้นน่ ไม่รู้ตามคาอธิบายนั่นก็ตามถึงหากว่าไปเกิดรู้ขึ้นเฉพาะตนเองรู้ขึ้นตันเองนี่เรียกว่าคุดโถแล้วนะปลดปล ong ขึ้นมาโดยตนเองเอ๊ะนี่จะเรียกอะไรเนะาะการทำาท่าไหร่เราจเรียกอะไรนะเนอเราจะอาจจะสงสัยขึ้นมาก็ได้ครั้งเมื่อเราไปรู้ทาว่าคุดโถไปว่าผู้เบิกบานไปผู้ตื่นแล้ว ก็จะเข้าใจว่าอ๋อถูกทำคำสองปฏิจ้าอย่างนี้เป็นต้นที่เรียกว่าเรียนมันมีประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องอาศัยปริยัตปริยัตคืออะไรคือบัญญัติมันคือปริญาตแต่งหมายาะว่า ทำคำสองพระเจ้าเนะเป็นบทบาทบาลีที่อธิบายเป็นบทบทบาทบาทลีนั้นเรี่ยวกับปริยัติปฏิบัติคือเราไปทําตามท่านว่างนั้นแล้วทําตามอย่างนั้ น, เ, นเรียวกว่าปฏิบัติทําถูกต้องแล้วต้องบรรลุคือว่าปลอดโปง่งรู้ขึ้นโดตนเองอนั้นเรียวกว่า พุโทโธเรียกปฏิเวทศาสนาทั้งสามอย่างนี้ต้องมีเป็นคู่กันไปขาดไม่ใดอันใดอันหนึ่งขาดไม่ได้มันเป็นผลต่อเนื่องกันไปปริัติเป็นพื้นฐานเหมือนกับตัวของเรา เมื่อเราปฏิบัติธรรมะทิ้งพื้นฐานตัวของเราไม่ได้ตัวงเราเป็นบอ่อเกิดของธรรมะทั้งปวงหมดถ้าหากไม่มีตัวงเราแล้วไม่มีอันพิจารณาธรรมถ้ามีอยู่ในตัวของเราครบหมดทุกติ่งทุกอย่าง เดี๋ยวนี้แต่เราเราไม่พิจารณานะสิมันจึงไม่รู้จักธรรมแต่พิจารณาจะอื่นโน่นนอกจากตัวของเราเงยหาธรรมขาวนี่หานอกจากตัวมันก็ไม่เห็นนะสินะตัวของเราบีเสียบก่อนมันก็มีจริงทั้งหลทั้งหลายท่านนี้ก็มี มนุษย์ของเราถ้าหามีตัวเท่แล้วจะเกิดขึ้นมาได้ไอย่างไรก็เดือดจะเกิดไอ้สิ่งอื่นจะเกิดขึ้นมาได้ไงบ้านช่องเรือนชานสถานที่ทุกสิ่งทุกการไรนาตาโถมาเกิดจากตัวของเราทั้งนั้นตัวของเรามีได้ยังเคยมีของขนาดให้จับหลักตรงนี้แหละให้ได้เสียก่อนปลาลักตรงนี้ให้มันมันคือตัวของเรานี่แหละ คนคว้าหาจริงเลยวราวหมดอย่าไปทิ้งเราไปงมได้ของภายนอกไปหาได้ของภายนอกค้นคว้าได้ของภายนอกไม่ใช่จะเอาโซดาที่ก่อนมันมาเป็นโซดาเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกเจอของดีในตวัวของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นยัง่า เรามาเกิดขึ้นมาแล้วเป็นคนมืดทุกคนเป็นคนมืดอภัยายามที่ตั้งใจจะเป็นคนสวาน่างเห็นเขาทำดีทำดีก็อยากจะดีอย่างเขาเห็นคนเขาได้ปัญญาฉลาดเฉลียวเฉลียวก็อยากจะเป็นอย่างเขาเขาตั้งใจไป ย, ยามทาต่อไปตัวของเราเป็นหลัก ถ้าปลูกเขาฝังรากมาต้นไม้ก็ต้องปลูกลงให้แน่นให้ก่อนให้มีรักฐานมั่นคงลงไปให้ก่อนปลูกต้นไม้ก็ให้รากยั่งลงไปดินให้ก่อนมันแก่ขึ้นมายังค่อยเกิดผลรากังยไม่ถึงดินอยากได้อยากกินผลแล้วมันก็แย่แล้วที่แบบนั้นไปหาที่ไหนไมันจะกิน สมาธิมันแน่วเนี่ยสมาธิยังเ ป, นเปนเ็นไม่เป็นภาวนาไม่เป็นสมาธิอยากจะให้เกิดผลนันจะเกิดได้ทีไหนหลักคือตัวของเราถ้าหากยังไม่เห็นตัวของเราตัวของเรานะั้นหมายความว่ า, วาคือใจอันนี้ยังไม่ใช่ตัวแท้เป็นเปลือกๆของเราอตัวที่ตนตัวตนคนเราที่นั่งอยู่นี่เนี่ยเป็นตัวก็เปลือกของเรา แต่ก็ต้องอาศัยนี่แหละถ้ามาอาศัยนี่ก็ไม่เห็นตัวแก่นแท้ น, นตัวจิตใจ ค, คือแก่นแท้คือใจใจมีได้มันมีเองเราของวันนี้ถ้าใจไม่มีมันมก็ตายคนตายใจมีแรียกว่าคนตายใจมีได้จึงค่อยยืนเดินนั่งนอนไปมาได้นั่นแหละตัวใจเท่านั้นเป็นของเรา อาศัยร่างกายอันนี้เป็นเครื่องอยู่จึงจำเป็นต้องพิจารณาร่างกายนี้แหละให้มันอยู่กับร่างกายอันนี้ซะก่อนเมื่อพิจารณาเฉพาะร่างกายนี้พิจารณาผมขนในผ น, นังในกระดูกให้เป็นอ น, นิจจังทุกขงังตาแล้วเห็นเป็นทุกทุกสิ่งทุกส่วน ล้วนแต่ทุกข์ทางนั่นอย่างแล้ไว้ผาเสร็จแล้วภลองเทศนาโดยส่วนมากชาติพิทุขาชล า, าพิก า, ารมรณะปนสังโสกกาเปเดวทุกขโทขนาทุก ข, ข า, า, า, ายนนาสาพิทุขาชาชลาเญียธีมนณาโสกกาเปเทวทุกขโทข น, นาทุล้วนเนี่ยแต่เป็นทุกข์ทางนั่นโองเทศนาโดยส่วนมากเลเ้ ถ้าไมเทศจากนี้หรอเทศขันหาก็เทศอันนี้แหละลูกเวทนาสัญญาทังขานวิญญาณเอาอันนี้แหละกระทุกกระทุกในขันหาเนี่ยไม่ใช่ทุกอื่นอันเดียวขันเดียวนี่แหละแต่พูดคนละแง่กัน ชาชลาแม้ที่พ ญ, ญาที่มันน่าโทกาบิเทวทุกข์กตมันนาทุกข์ปายาตันร่วนันจะทุกข์แต่ก็พูดถึงเรื่องขันหาแล้วก็ทุกข์รวมคาถาเนี่ยไม่ต้องอื่นไกลเราพิจารณาเฉพาะ อ, อันนี้แหละให้เห็นเฉพาะ อ, อันนี้แหละเมื่อเห็นโทษเห็นทุกข์ในตัวเราแล้วมันหาจะเห็นมันเห็นจิตต่อขนันใครเป็นคนเห็นโทษ ใครเป็นคนเห็นทุกข์ใครเป็นคนเกิดแก่เจ็บตายใครเป็นขันหาเห็ น, หน้าขานี้เพราะความยึดถือว่าตัวของเรามันจะค่อยเป็นทุกข์เพราะยึดถือขันหายึดตัวของเรายังค่อยเป็นทุกข์ไอ้จับตัวที่มันยึดกันเลยข่านี้ เห็นจิตแล้วค่ะนี่ยึดกายนี่ให้เป็นหลักซะก่อนแล้วยังค่อยมันยังค่อยเห็นใจจึงว่าให้พิจารณาเฉพาะกายที่แหล้พิจารณาเฉพาะเรื่องทุกข์ทำไมยัต้องให้พิจารณาถึงเรื่องทุกข์แล้วปราศนาทำความสุขปราศนาจะได้พ้นจากทุกข์ตัวทำไมยิ่งไม่ให้พิจารณาทุกข์บางคนจะเข้าใจอย่างนั้น ความเข้าใจผิดของเราตัางหากความเข้าใจผิดของเราเข้าใจวันสุขต่างหากจะแท้ที่จริงความจริงนะมันเป็นทุกข์มันทุกข์ทั้งก้อนเลยองเทศนาตามเป็นจริงไม่ใช่เอาของไม่จริงมาเทเทแต่มันทุกข์ทั้งก้อนนี่แหละโดยเฉพาะอขันรหา่า ให้เข้าใจอย่างนี้อย่าไปเข้าใจว่าแล้วปรารนาที่จะทําความก้นทุกปรารนาให้เป็นสุงทํำไมมาสอนให้เป็นทุกให้พิจารณาึงเรื่องทุกให้เข้าใจอย่างนั้นไม่ไม่ถูกความเป็นจริงนั้นต้องพิจารณาถึงเรื่องทุกกาพิจารณาเรื่องทุกเห็นทุกแล้วอย่างอาตมาพระพูดมาเบื้องตน้น ให้เป็นคนเห็นทุกข์ใครเป็นคนรู้ทุกข์ตัวจิตต่างหาตัวจิตไปเห็นทุกข์มันเบื่อหน่ายในทุกข์มันชลา ป, ปล่อยวางในทุกข์มันเลยไปทุกข์ขันทุกข์มันเลยอยู่ต่างหาใจมันเป็นหนึ่งในอยู่ต่างหาใจเป็นหนึ่งแล้วไม่มีทุกข์ ใจมันเป็นหนึ่งเรียกว่าใจอันเป็นหนึ่งเรเรียกว่าใจอันไม่เป็นหนึ่งแยังเขาเรียกว่าจิตจิตมันไม่เป็นหนึ่งมันเป็นสองเป็นสมเป็นสี่มันก็ช่วยไปทุกข์ไปสิมันไปยึด น, กกนั่องกับนี่อะไรต่างสารพัดทุกอย่า ง, า ง, าาางมันยังคอยเป็นทุกข์ถ้าใจเป็นหนึ่งมันไม่เป็นทุกข์หนึ่งมันยังมีอะไรอีกมันจะมีอะไรก็เกี่ยวอีก มันก็ไม่ได้ใจขนาดนีัน่นแหะที่จะพ้นจากทุกข์เลยไปถึงใจแล้วพ้นจากทุกข์เล้นะครับความสงบสุขความสงบคือมันสงบจากอารมณ์มันจะเข้าถึงใจความสุขเสมอได้วยความสงบม่นันท่านาย่าง น, นัมันไม่สงบมันยังคอยเป็นทุกข์คือมันเป็นจิตมันไม่สงบเป็นจิต มันเปลี่ยนกันไปมันไม่จะกงบมันไม่จะกงบแล้วกลายเป็นจิตก็เลยเป็นทุกข์มันถ้างบ ก, กลายเป็นจิตนเป็นใจก็เลยไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นทุกข์เท่านั้นแนหะมันเปลี่ยนกันเท่านั้นแนหะต้องพิจารณาอย่างอธิบายมานี่แหละที่ให้พิจารณาทั้งเรื่องหลักให้เป็นหลักฐานแล้วจะก่อน มันแน่วแน่เป็นเต็มที่ใช่ก่อนอย่าไปหาค้นหามันเลยมันค้นเองมันหรอกอันเดียวนี่แหละพูดแต่ไหนแต่ไรเมื่อกันเดียวนี่แหละพระพุทธเจ้าเทศกับเทสนาอันเดียวนี่แหละอาตมาเทศกับเทศมาแต้บวชมาแต่กับเทศอันเดียวนี่แหละไม่ใช่เทศอื่นไครคืออันเดียวนั่นแหละคือเทศถึงใจมันเองมันมีทุกคนในใจ แต่ไม่หาตัวใจของตนให้เข้าถึงใจสานะงมนั้งแต่งมงายตั้งแต่เรื่องจิตมันก็เลยพาเราเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่วุ่นวายอยู่นาง น, น, นี้ตัวใจสานั้นมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องไม่มีใดเป็นของเครื่อ ง, องคอาเกี่ยวมันปลอดโปงทะลุปลอดโปงมดทุกสิ่งทุกอย่าง อธิบายสันนิษฐานี่เอาพากานค้นหายใจลองดูอธิบายฟังแล้วค้นหาลองดูตรงไหนเป็นใจมันจิตยังไปต้องค้นหามันก็เห็นนั่นแหละมันยุ่งวุ่นวายไปทุกสิ่งถ้าเราพัดแค่มันสงสัยนั้นนั้นนนตัวจิตมันเห็นนั่นแหละ ตัวใจแท้นะ่คืออะไรมันอยู่ตรงไหนกันท่านพูดเนี่พูดทุกคนนะ่ะใครก็มีใจทุกคนนะ่ะพูดถึงเรื่องใจก็อยู่ตรงไหนอ็พูดคามาชี้ว่าท่ามกลางเนี่ยท้าอกเนะนี่ยนะนี่แหละหัวใจหมายความถึงอะไรหัวใจคืหมายความถึงหาตไทยวัตถุ เรียกว่าหัวใจเนั้นเรียกว่าหัวใจแต่แท้ที่จริงไม่ใช่ขณะสมัยใหม่เขาเราเรียกว่าสมองเป็นหัวใจเป็นใจคือผู้คิดนั่นก็ไม่ใช่ยอยีกเหมือนกันถ้าหากว่าสมองอาหากว่าตายเราดูแดังนี้สมองไม่ได้ไปกับคนตายใช่หรือเ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 ตัวผู้คิดผู้นึกมันตังหาผู้ปรุงผู้แต่ง ม, มันตังหาใจแท่นัน้นไอจิตแท่นัน้นอยู่ไหนก็ได้อยู่ข้างล่างข้างบนอยู่ปลายมือปลายเท้าได้ทั้งหมดแม้จะอยู่ต้นไม้ภูเขาต้อก็ได้อยูนอกกายของเราได้หมดเท้าใจไปไว้ตรงนั้นเนาะถ้าคิดถึงโน้นเนี่ยมันเนี่ยโยนอะ เช่นเห็นลูกเห็นหลานเห็นตัดตาสาระจริงต่างๆมันเจ็บมันปวดเอาตายกูตายเหรอนาะอันที่จริงไม่ใช่กูตายอันตัวมันเจ็บนต่างหากตัวนอกมันเจ็บต่างหากเอาใจไปไว้ไหนตายกูตายหรอหาว่าเราตายความคิดของนึกตรงายไปในสิ่งต่างๆปรุงแต่งจึงว่าไปไว้ไหนมันก็อยู่หรอก ผู้หัดทำสรรมาธิภาวนาจริงๆแล้วลองเอาไปไว้ที่มือลองดูมันอยู่ปลายมือคนเอาไว้ปลายท้ามืออยู่ปลายเท่ า, าไหว้ปลายผมมือยู่ปลายผมเอาไว้ท่ากลางนะอกมือก็อยู่ท่ากลางนะอกใจหมายความหนึ่งของกลางไม่มีอดีตไม่มีอนาคต ลงปัจจุบันเลยลองดูลองคิดดูอดีตเขาออกไปเจ๊าอนาคตก็ออก เ, เจ๊ะอดีตที่ลองแล้งไว้ต้องกำนังทึ้งหมดนะอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็ไม่ต้องกำลังทึงมดแล้มันจะมีอะไรแล้วข่านี้มันเป็นกลางอยู่ของของานของว่างเปล่านะสินั่นแหละตัวใจ คือมันเฉยเฉยแต่ความเฉยเฉยรู้จักวความเฉยเฉยไม่ใช่ไหมเป็นกลางแล้วไม่มีความเฉยเฉยอันนั้นเรียกว่าของกลางเฉยของกลางไม่ใช่เรียกใจใจของกลางมันต้องมีเฉยเฉยรู้จักว่าเฉยความเฉยเฉยนี่ค ล, าคลายย้ายกันกับว่า ก็ฝึกหัดอัปปนาสมาธิแล้วคล้ายกับอัปปนาสมาธิแต่อัปปนาสมาธิไปอีอังอันนี้มันไม่ถึงอัปปนาสมาธิอยากจะให้เป็นกลางมาในกวางเฉยๆเมันก็อยู่ใดตอนอัปปนาสมาธิหัดจิตละเอียดๆลงไปจนหายเงียบ ไม่มีสิ่งอื่นมีแต่จิตอันเดียวอ น, นั้นเรียกว่าปัญหาสมาธินี่แหละหาตัวนี้แหละมันเห็นค้นหาตัวนี้เห็นแล้วข่าวนี้นอกอยากจะทําให้เป็นใจเมื่อะไรก็ทําได้มันเลยร้อนวุ่นวายไม่คิดตรงสายเราพัดทุกอย่างอ น, นั้นเรียกว่าเป็นจิตเราไม่ทวเราไม่เอาเราจิตสักทันเราปล่อยวางวัด เอาเข้ามาถึงใจแล้วมรวมเป็นใจมันก็สบายให้หาตรงนี้นหะหาตัวใจไม่ต้องไปหาที่อื่นดอกมีทุกคนมีแล้วทุกคนทั้งนั้นเนะ่เราเกิดมาตั้งแต่เกิดปุ๊บนะใจจะไม่มีมาจะเกิด แต่หากไม่เห็นใจมีแต่จิตใชใ้เราไปแล้วนแะละรอบด้านทุกทิศทุกทางใช้ให้โกรธให้หลงใช้ให้มัวเมาประมาทเพลิดเพลินรูปหลงทั้งรับทุกสิ่งทุอย่างแม้ที่สุดจะร้องไห้ลงโหงก็มันก็ใช้เรานั่นตัวใจมันใช้เราเข้าถึงจิตแล้วไม่มีเพรานั่นหายหมด นั่นจึงว่าเราใช้ใช้เราจิตใช้เราไม่ใช่เราใช้จิตเราใช้จิตแล้วนารจะเข้าถึงใจแล้ะกันมันจะคิดจะนึกสงสัยต่างๆก็รู้เข้ารู้ตัวยมันได้ไม่ได้มุ่มเอาลุบหลงไม่ยินดียินลายไม่มีความรู้ความฝุ่นความหลงมดทุกสิ่งทุกอย่างมีความรู้เท่าใช้มันเลยพัน ใช่ไปแล้วก็อยู่เข้ามาหาใจให้อยู่ที่ใจเวลาอยู่ให้อยู่ที่ใจเวลาใช้ใช้อันไปใช้แล้วให้เข้ามาอยู่ที่ใจใช้ไม่อยู่มันจะกลายเป็นจิตมันไม่ถึงใจอันที่เข้าถึงใจเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างนี้แหละใช้อันไปทุกสิ่งทุกอย่างะมันคิดมันนึกมันส่งส่ันพูมานแต่ง ทางานของพวดที่เรามีอาชีพในโลกนี้ใช่ไปเถอะจะใช้ไปแล้วไม่อยู่ให้รู้จักประมาณให้ยากขอาเขตของจิตเป็นอย่างนี้ของใจเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจอย่างนี้ก็พ อ, อทำสมาธิภาวนาต่อไป